จิตตานุภาพแท้จริงสิ่งสูงสุดช่วยให้เกิด จิตวิมุตติสุดสูงถ้าใช้ผิดก็เสื่อมสุดจะฉุดจูงถึงเป็นยุงจะเป็นกาไปท่าเดียวมันอบรมสะสมกำลังจิตคราวระนิดตามแผนให้แน่นเหนียว ให้ถูกต้องตามประสงค์ลงในเกลียวแห่งธรรมเหนียวจุดมุ่งตรงนิพพานแต่ละวันถ้าใช้มันในการกิจยิ่งเป็นการฝึกจิตผสมผสานพร้อมกันไปกับได้ผลแห่งการงาน ปฏิบัติธรรมทุกประการในท่านเองท่านพุทธทาสพิคุในยามนี้นี่ เป็นเวลาของการฟังธรรมการฟังธรรมในมีประโยชน์มากธรรมะสามารถช่วยขับไล่ความวุ่นวายใจความเร่าร้อนใจความเบื่อความท้อแท้ใจให้ออกไปจากจิตใจเราได้อาศัยพระธรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นชีวิตของเราในแต่ละวันเนี่ยควรจะมีธรรมะอาจจะเป็นการฟัง การคิดนึกแล้วก็การปฏิบัติยิ่งในยามเนี้ยจิตใจของเราเนี่ยมันคิดนึกอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยบางทีมันทำให้จิตใจเราต้องเศร้าหมองชีวิตไม่เบิกบานบางทีเกิดอาการท้อแท้เหนื่อยนายกับชีวิตเหนื่อยนายกับการทำงานสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่บั่นทอนชีวิตจิตใจเราให้เศร้าหมองความท้อแท้นี่หรือว่าเป็นอุปสรรคใหญ่ ในการดาเนินชีวิตเลยทีเดียวชีวิตจะไม่พัฒนาเลยถ้าเรามีแต่ความท้อแท้เหนื่อยนายเบื่อเซ็งนี่มันเป็นมะเร็งร้ายในอารมณ์เลยก็ว่าได้นะในอาการเหล่านี้อันที่จริงนี่ถ้าเราเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจซะหน่อยทําจิตใจมันสดใสเบิกบานมันก็จะขับไล่ความเบื่อความเซ็งความท้อออกไปได้ เพียงนั้นเราจะท้อไปทำไมการทอแท้การเหนื่อยหน่ายก็ไม่ใช่เป็นการพัฒนาชีวิตของเรามันทำให้จิตใจเราเศร้าหมองมันเป็นการบั่นทอนจิตใจของเราชีวิตเรายังมีความหวังดาบใบที่เรายังมีลมหายใจอยู่เราก็ย่อมมีความหวังลมหายใจของเราเนี่มีได้ความหวังก็ต้องมีได้ไอ้ที่เราท้อแท้เนี่ยเพราะเราสิ้นหวังยังยังไม่หมดหวังเรายังมีลมหายใจแห่งความหวังอยู่ าอาจจะท้อได้บ้างเป็นบางครั้งบางคราวนะเป็นเรื่องธรรมดาของจิตใจที่มันอาจจะท้อแท้มีได้แต่ว่าอย่าไปท้อหมดใจแบ่งที่ว่างไว้สักนิดนึงให้ความสดใสเบิกบานเข้าไปแทรกความท้อแท้มันเป็นสาเหตุของความซึมเศร้าระวังให้ดีนะตรงเนี้คนที่มีอาการซึมเศร้าซึ่งเป็นกันมากเดี๋ยวนี้ มันเริ่มต้นมาจากความท้อแท้สิ้นหวังแล้วก็เกิดความขี้เกียจขี้คลาแหละตอนนี้เมื่อท้อแล้วก็เกิดความขี้เกียจไม่อยากทำอะไรไม่อยากจะคิดอะไรแต่มันคิดนะเพราะความคิดเนี่ยในทางลบคือความผิดหวังเนี่ยมันก็เกิดความท้อแท้ความคิดเป็นต้นเหตุไม่มีกำลังใจจะทาอะไรเลยเกิดความขี้เกียจเดี๋ยวต่อไปก็จะเกิดความซึมเศร้าฉะนั้น เราเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจสมัยตั้งสติให้ได้นี่พลังแห่งสตินี่แหละจะสามารถขับไล่ความท้อแท้ความขี้เกียจขี้คลานได้พลังสติเนี่ยเป็นพลังธรรมมันแสงสว่างที่ตองฉายลงไปในความมืดความมืดก็หายไปพลังสติคือความสดใสสามารถขับไล่ความท้อแท้ไปได้ท้อได้ไม่เป็นไรแต่ก็ต้องมีสติรู้ด้วยชีวิตของเราในแต่ละวันเนี่ย ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยมันมีหลายอารมณ์เป็นเวทีของการฝึกจิตเวทีของการปฏิบัติเลยคือมีหลายอารมณ์ที่ว่ามีทั้งความรักความโกรธความเบื่อความเซ็งความสุขความทุกข์ความพอใจไม่พอใจมีหลายอารมณ์จะเรียกว่าชีวิตเนี่ยคือสนามอารมณ์ก็ได้เป็นสนามอารมณ์ที่ให้จิตใจเนี่ยลงไปวิ่งเล่น ใจิตใจที่อ่อนแอท้อแท้ขาดกําลังสติเนมันก็จะไปคลุกเคล้าพันตูกับอารมณ์เหล่านั้นแล้วจิตใจก็เศร้าหมองเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเราต้องมีสติตั้งสติให้ได้ให้สติเป็นผู้กํากับจิตเข้าไปเล่นกับอารมณ์มันนักกีฬานะถ้าลงสนามด้วยความมั่นใจแล้วก็เล่นกีฬาด้วยความสนุกถ้าลงสนามด้วยความเศร้าหมองเ อ, อวันนี้เราจะสู้เขาได้ไหม เราคงจะเป็นรองเข้ามากเนี่ยแพ้แต่ไรยังไม่ลงแข่งขันแล้วมันก็จะเล่นได้ไม่ดีเล่นก็ไม่สนุกเล่นไปก็กังวลไปเนี่ยนักกีฬาที่ลงสนามด้วยความมั่นใจเนี่ยเล่นไปก็สนุกมีความสุขในการเล่นการจริญสติก็เหมือนกันเราตั้งสติให้ได้ลงไปไปเชิญหน้ากับอารมณ์เลยสนามอารมณ์สติลงไปเล่นสนุกเพียงแค่เรารู้สึก มันคิดนึกยังไงก็รู้สึกมันมีอาการของจิตยังไงก็รู้สึกรู้เท่าท่ในอาการเหล่านั้นสติจะมีพลังนะมันจะสามารถเข้าไปแทนที่ความคิดความเบื่อความท้อลองไปได้เมื่อมันมีความคิดมากมีอารมณ์ต่างๆรุนแรงความทุกข์กายความทุกข์ใจเกิดขึ้นเนี่ยไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องไปขับไล่ก็ไม่ต้องห้ามไม่ต้องตามแล้วก็ไม่ต้องเลือกไม่ต้องเลือกอารมณ์ ไม่ต้องห้ามอารมณ์ไม่ต้องตามอารมณ์แต่เรารู้ไว้เฉยๆตั้งหลักรู้เอาไว้ให้ความสำคัญของสติมากๆเทคะแนนมาทางสติมากๆเราให้ความสำคัญกับสิ่งไหนสิ่งนั้นก็จะเจริญก้าวหน้าในจิตใจเราแลอารมณ์ต่างๆเนี่ย ก, ก็จะจางคลายไปเราเพิ่มพลังสติเป็นพลังชีวิตอารมณ์ต่างๆเนี่ยเขาจะไม่รุนแรงไม่ต้องไปห้ามเข ไม่ต้องไปฆ่าเขายิ่งไปห้ามยิ่งไปทำลายยิ่งไปขัดขืนเนเขาจะยิ่งมีกำลังมากนะอารมณ์ในจิตใจเราเนี่ยถ้าจะอุปมาก็เหมือนอย่างกับสมมุติว่ามันมีเชื้อมาเลงขึ้นมาในร่างกา ย, ยแต่ว่าร่างกายมันขาดภูมิต้านทานแล้วเชื้อมะเ็งจริงก่อตัวขึ้นรุนแรงเราไม่จะเป็นจะต้องไปทำลายหรือไปฆ่ามันไม่เป็นไรเราก็พยายามสร้างภูมิต้านทาน ท่านร่างกายให้มากขึ้นเพื่อการต่อต้านเชื้อมรลงในร่างกายอาจจะออกกำลังกายสม่าเสมอพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่เป็นประโยชน์ไม่มีสารปนเปื้อนเป็นอาหารธรรมชาติแล้วก็งดเว้นอาหารที่สแสลงกับเชื้อมะรลงอันนี้ส่วนร่างกายไหมภูมิต้านทานทางกายนีย่ก็สามารถเอาชนะเชื้อมาลง และที่สำคัญก็คือสร้างภูมิต้านทานทางด้านจิตใจให้มันเข้มแข็งภูมิต้านทานทางด้านจิตใจนะั่นคืออะไรคือความสดใสเบิกบานจะสามารถเอาชนะเชื้อมาเร็งในอารมณ์ในจิตใจเราได้เหมือนกันนะมีสองเชือ้อเชื้อทางกายกับเชื้อทางจิตเราจะมีชีวิตจิตใจที่มีภูมิต้านทานแข็งแร ง, แงนั้นก็ต้องอาศัยพลังสติเอาชนะเชื้อมะเร็งทางด้านจิตใจ แล้วก็ช่วยทางกายเนี่ยให้มีภูมิต้านทานได้มากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นเรื่องของเราทั้งนั้นค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆคือสะสมความรู้สึกตัวมีสติไปเรื่อยๆ อ, อย่างนี้อันชนะได้ทุกอารมณ์อันนี้เป็นการปฏิบัติธรรมจะเรียกว่าเป็นการภาวนาก็ได้ภาวนามายะปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการภาวนาคือลงมือปฏิบัติเลยอย่าได้เตกฟังคิดนึก ซักถามอยู่นั่นแล้วเมื่อไหร่จะเข้าสู่จิตสุ่ใจสักติธรรมะจะเกิดขึ้นได้นั้นไม่ใช่การอ่านการฟังหรือการซักถามเพื่อให้ได้คําตอบเราจะบรรลุธรรมได้เพราะเราถามครูบาอาจารย์งั้นเลยหรือถามบุคคลอื่นอย่างนั้นเลยเราต้องถามจิตถามใจเราแล้วก็ลงมือปฏิบัติเลยอย่าโม่แต่คิดอย่าโม่แต่ซักถามอยู่บางทีความคิดเนี่ยมันก็ทําให้เราหาคาตอบได้ยาก การปฏิบัติเนี่ยบางทีมันง่ายง่ายหรอกความคิดคิดเอาเนี่ยมันไม่ค่อยได้คําตอบแต่ถ้าเริ่มปฏิบัติเลยเนี่ยบางทีคําตอบมันกระจ่างแจ้งขึ้นมาทันทีเลยลลเรามโมตถามว่าความรู้สึกตัวเป็นยังไงสติเป็นยังไงรู้สึกตัวได้อย่างไรอะไรคือความรู้สึกตัวซักถามหรือคิดเอาเนี่ยมันรู้มันจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากระลองพลิกมือสิพลิกมือรู้สึก ได้คำตอบแล้วพลิกมือหงายรู้สึกได้คำตอบแล้วกระดิกนิ้วแล้วก็รู้สึกได้คำตอบแล้วหายใจเข้ารู้สึกแล้วก็หายใจออกรู้สึกโอ้ได้คำตอบแล้วคำตอบมีได้จากการปฏิบัติไม่มีคำพูดไม่มีชื่อไม่มีความหมายแต่มีความรู้สึกจิตใจเราสามารถสัมผัสลงไปได้เลยอันนี้เป็นความรู้สึกตัวที่เกิดจากการปฏิบัติ เราอาจจะซักถามว่าสติคืออะไรสติคือความระลึกได้อันนี้ก็เป็นคําตอบก็จบแต่เราเข้าถึงความระลึกได้หรือเปล่าเราเข้าถึงตัวสติได้หรือเปล่าเราเข้าถึงได้ด้วยความคิดไม่ได้เอาจิตเข้าไปสัมผัสเลยแต่ถ้าเราพลิกมืออ่ามันเกิดความรู้สึกทันทีในขณะที่พลิกมือเห็นไหมอันนี้เรียกว่าสัตติโกพระธรมเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง สัมผัสได้เลยอย่ามัวแต่ซักถามหรือคิดหรืออ่านเอาเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกมันคิดมีสติรู้สึกจบไปในความรู้สึกเป็นคำตอบที่ไม่มีคำพูดเหนือสมมุติหรือว่าเป็นปรามะตธรรมก็ได้ก็มีนิทานเซนสั้นๆจะเล่าฟังเกี่ยวกับเรื่องการซักถามหาคำตอบนี่แหละก็มีลูกศิลพระเซน ก็เที่ยวหาคําตอบว่าความรู้สึกตัวคืออะไรเข้าไปถามอา จ, จารย์เซนรูปหนึ่งท่านครับความรู้สึกตัวเนี่ยมันคืออะไรท่านก็ไม่ตอบลูกศิษยก็เฝ้าเศ้าซีซักถามอยู่นั่นแล้วอาจารย์ครับความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นอย่างไรท่านก็ไม่ตอบแม้ครั้งที่สมท่านก็ไม่ตอบจนกระทั่งรูปศิษยเซนก็เหนื่อยหนายนั่งครุ่นคิด ลอจิตประใจเผลอไปกับความคิดพระอาจารย์เซนก็เห็นว่าอ๋อลูกศิษย์นี่กํลาลังเผลอนะก็เลยค่อยๆเอื้อมมือไปหยิบไมเรียวแล้วก็หัวระไมที่หลังของลูกศิษย์เซนลูกศิษย์เซนรูปนั้นสะดุ้งยง่องออกมาทันทีเลยลูกศิษย์เซนก็หันมาก็กลาวพระอาจารย์สามครั้งอาจารย์ครับผมเข้าใจแล้วครับว่าความรู้สึกตัวเป็นอย่างไรไม่มีคําพูดมีแต่คาตอบกระจ่างแจ้งอมาทันทีเลย เพราะฉะนั้นเราอย่ามัวซักถามเราสามารถสัมผัสกับความรู้สึกตัวได้ด้วยการปฏิบัติแต่ถากว่าเรายังไม่เข้าใจเนี่ยเราลองให้ญาติธรรมหรือคนใกล้ตัวเนี่ยลองเอาไม้หัวไปที่หลังเราสักครั้งสิเราจะรู้สึกตัวว่าอ๋อนี่แหละคือความรู้สึกตัวเนี่ยจะเรียกว่าปัจจิตตังธรรมะต้องเป็นปัจจิตังคืออันวินยูชนเนี่ยจะรู้ได้เฉพาะตอน